เรื่องที่19พราหมณ์ในประเทศไทยพราหมณ์ดูเหมือนจะเป็นบุคคลประเภทที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในวงการของคนไทยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นชาวพุทธเพราะในคําสอนทางศาสนาอ้างถึงคนประเภทนี้ไว้แทบทุกเรื่องที่เป็นนิทานหรือประวัติเช่นในเรื่องเวสันดรตัวก่กอกวนร้ายกาจที่สุดคือชูชก ก็เป็นพรามในเรื่องพุทธประวัติคนที่ขณะพระนามพระพุทธเจ้าก็เป็นพรามเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่คนที่แลบลิ้นปลิ้นตาหลอกพระพุทธเจ้าด้วยอาการดูหมิน่นก็เป็นพรามพรามเกี่ยวพันกับพระพุทธเจ้าทุกตอนจนกระทั่งพระองค์นิพพานแล้วคนที่แบ่งปันพระบรมสารีริกธาตุก็เป็นพราม และผลที่สุดในเมืองไทยเราซึ่งเป็นเมืองพุทธศาสนาก็มีพราหมณ์มาประจทาทำพิธีอยู่ในราชสานักและมีวัดโบสถ์อยู่ในใจกลางพระมหานครนี้ด้วยผมคิดว่าคงจะมีหลายคนที่เคยเห็นพราหมณ์ไม่เคยเห็นตัวจริงก็คงจะเคยเห็นรูปถ่ายแต่รู้สึกว่าจะน้อยคนที่เคยสนทนาไต่าถามเรื่องราวกับพราหมณ์เพราะเหตุผลว่า รามีจำนวนน้อยเพียงแปดท่านเท่านั้นและไม่ค่อยจะปรากฏตัวในที่สาธารณะเท่าไหร่นักฉะนั้นวันนี้ผมจะเล่าเรื่องพราหมณ์สู่กันฟังพอประดับความรู้ในอดิตการนานมาแล้วประชาชนชาวอินเดียนับถือศาสนาเก่าแก่ศาสนาหนึ่งซึ่งสอนว่าในโลกนี้มีพระพรหมเป็นใหญ่คอยบรรดาลสุขทุกข์ให้คน และมีเทวดาใหญ่น้อยคอยตรวจดูโลกอยู่ทั่วทุกหนทุกแห่งทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศพวกคนที่สอนศาสนานี้เป็นผู้รับทาพิธีอ้อนวอนบวงสรวงให้มนุษย์ทั้งหลายเขาเรียกตัวเองว่าพรามแปลว่าคนประเสริฐแล้วเรียกศาสนานับถือพระพมนั้นว่าศาสนาพรามซึ่งแปลว่าศาสนาของพวกพราม รวมความว่าควาว่าพราหมณ์เดิมทีเป็นชื่อของพวกสอนศาสนาและเป็นเจ้าพิธีทางศาสนาในประเทศอินเดียคนอินเดียสมัยน้นคือก่อนพุทธกาลแบ่งคนออกเป็นสี่วันณนะคือ 1. พวกทำงานทางสอนเรียกว่าวันนพราหมณ์ 2. พวกทำงานราชการเรียกว่าวันนักษัตริย์ 3. พวกประกอบอาชีพเรียกว่าวันนะแพทย์ส่วนตัวและสี่พวกรับจ้างแรงงานเรียกว่าวันนะสูตรคนสี่วัน น, น้นี้แต่ละวันนะก็มีการห่วงแหนวันน้าของตนจึงแต่งงานแต่เฉพาะกับคนในวันนะเดียวกันเลือดของวันนะจะได้บริสุทธิ์ท่านจะเห็นได้ว่าพวกรามก็เป็นวันณะในสี่วันณะนั้น และเป็นวันน้าที่สูงกว่าทุกวันนะเพราะเขาถือว่าเป็นฝ่ายศาสนาใกล้ชิดติดต่อกับพระพรมคล้ายๆ ก, กับคนไทยพุทธ ย, ยกให้พระสงฆ์เป็นผู้มีฐานะสูงนี่เองในศาสนาพราหมณ์เขาก็ยกย่องพราหมณ์เสมือนว่าเป็นพระของเขาถ้าหากจะเทียบกับคนในศาสนาอื่นๆอีกฐานะของพราหมณ์ในอินเดียก็เทียบกับบัตรหลวงในนิกายโรมันคาทอลิก เละเทียบกับศาสนาจารย์ในนิกายโปรเตสแตนต์แห่งศาสนาคริสต์ถ้าทางศาสนาอิสลามก็เทียบกับโตอิห ม, มและโตฮีหมายความว่าเป็นคนของศาสนาแม้จะทำมาหากินทางอื่นอยู่แต่ก็อุทิตตัวเป็นคนวงในศาสนาที่พูดนี้เป็นพวกพรามรุ่นแรกครั้นการเวลาผ่านไป พวกวันนพราหมณ์ก็สมสู่กันแต่ในพวกของตนเกิดลูกเกิดหลานมาเป็นอันมากลูกของพราหมณ์ก็ถือว่าเป็นพราหมณ์เหมือนกันเพราะเป็นคนวรรณพราหมณ์ถ้าเป็นชายก็เรียกว่าพราหมณ์หรือพรามนะถ้าเป็นหญิงก็เรียกว่าพรามณีคนประเภทนี้เวลาเรียกชื่อในทางพูดทางเขียนเขาเอาคําว่าพราหมณ์หรือพรามนะ เป็นฉายาท้ายชื่อด้วยเช่นนายคนหนึ่งชื่อโทนะเวลาเขียนหรือพูดถึงเราใช้คำว่าโทนวณพรามคือเอาคำว่าพรามไปต่อท้ายชื่อด้วยจะได้รู้ว่าคนชื่อโทนะที่พูดถึงนี้เป็นคนวณพรามส่วนคนวณอื่นเอ่ยชื่อขึ้นมาเฉยๆข้อนี้ก็เหมือนกับความนิยมในเมืองไทยเราที่นิยมเอาคาว่าพระ นำหน้าชื่อของผู้ที่บวชเป็นภิกษุอยู่เช่นพระเขียวพระขาวเป็นต้นการที่ผู้ถือกําเนิดจากพ่อพราหม์แม่พราหมณ์ก็ได้รับสมญาว่าเป็นพราหมณ์ด้วยทําให้จํานวนพราหมณ์มีมากขึ้นและรับวันจะทบทวีคูณเป็นสองเท่าสามเท่าแต่เมื่อจํานวนพราหม์มากขึ้นคุณลักษณะของพราม์ก็ต้องจางลงคือเดิม พรามทุกคนรู้หลักนักปราดทั้งนั้นแต่ครั้นต่อมาก็มีพรามชนิดที่ไม่รู้อะไรเลยด้วยไม่ใช่ว่าเป็นพรามแล้วจะรู้จากลทัทธิศาสนาพรามหมดทุกคนยุคต่อมาอีกศา ส, สนาพรามได้วิวัฒนาการมาเป็นศาสนาฮินดูและมีการปรับปรุบปรงบทบัญญัติต่างๆในพระเวศให้เหมาะสมยิ่งกว่าเดิมลทัทธิเดิมที่ถือกันมาว่าคนที่จะเป็นพรามได้ จะต้องสืบเชื้อสายมาจากวันพระพรามเท่านั้นข้อนี้ก็ถูกแก้ไขเพิ่มเติมว่าคนที่แม้จะเกิดในวันอื่นไม่ใช่พรามโดยกำเนิดหากได้ศึกษาพระเวทจบแล้วและเข้าสู่พิธีคล้องได้ยันโยปวีตตามลัทธิพรามก็จะมีฐานะเป็นพรามและทำพิธีกรรมทางศาสนาการมาถึงขั้นนี้แล้วพรามจึงมีอยู่สองจพวกคือหนึ่ง พรามโดยกําเนิด 2. พรามโดยคุณวุฒตในปัจจุบันนี้ก็มีพรามอยู่สองพวกดังกล่าวและในสองพวกนี้คนที่ได้รับการยกย่องนับถือมีอยู่พวกเดียวเท่านั้นคือพวกพรามโดยคุณวุฒิในวงเล็บโปรดทราบด้วยว่าคนที่เป็นพรามโดยกําเนิดนั้นอาจเป็นพรามโดยคุนวุิด้วยก็ได้หากเรียนพระเวชจบส่วนพรามโดยกําเนิด คือศักแต่ว่าเกิดในตระกูลพราหมณ์ในประเทศอินเดียเวลานี้มีอยู่มากและไม่ได้รับการเคารพนับถืออะไรเป็นพิเศษนอกจากผู้เป็นพราหมณ์เองยังสำคัญว่าตนเป็นคนวรณะสูงยังรังเกียจพวกวรณะต่าอยู่อันเป็นการจมไม่ลงของเขาเองพฤติการดังกล่าวรู้สึกเป็นที่ไม่พอใจของชาวอินเดียสมัยนี้อยู่มาก ถ้าพูดถึงฐานะของคนวันนับพรามในอินเดียทุกวันนี้ก็ไม่ผิดอะไรกับคนวันนับอื่นมีการทำนาค้าขายเลี้ยงวัวรีดนมเป็นลูกจ้างกวาถนนขนดินขับรถแท็กซี่และติดคุกเหมือนกับคนทั่วไปส่วนพรามโดยคุณอมุตยังได้รับความเคารพนับถือจากประชาชนอยู่มากในฐานะเป็นครูบาอาจารย์และเป็นเจ้าพิธีทางศาสนา คนที่ได้เข้าพิธีสถาปนาเป็นพราหมณ์แล้วไม่ว่าจะมาจากบรรณะใดย่อมได้รับการยกย่องจากประชาชนเท่าเท่ากันเหมือนกับคนไทยที่บวชเป็นภิกษุในศาสนาแล้วไม่ว่าท่านจะมาจากตระกูลใดชาพุ้ก็ให้ความยกย่องเสมอกันฉะนั้นพราหมณ์ในประเทศไทยทีนี้วกกมาพูดเฉพาะเรื่องพราหมณ์ในประเทศไทยเราเป็นที่แน่นอนหรือเกิดว่า ศา ส, สนาพราหมณ์ได้มามีอิทธิพลอยู่ในประเทศไทยมาแล้วอย่างสุดยอดสักขีพยานที่เราได้เห็นชัดในเวลานี้ก็คือเสาชิงช้าที่หน้าวัดสุทัศน์กรุงเทพคิดดูด้วยสามัญสำนึกของเราก็ได้ว่าเสาชิงช้านั้นเป็นเสาขนาดใหญ่และสูงมากตั้งอยู่ขวางถนนตรงใจกลางพระมหานครการที่จะนำเสาขนาดนี้มาจากป่าได้ก็ดี การที่จะยกเสาขนาดนี้ขึ้นตั้งก็ดีการที่จะใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่ตั้งได้ก็ดีหากไม่ได้รับการสนับสนุนจากวงการบริหารประเทศอย่างสูงสุดแล้วไม่มีใครทำได้นอกจากนี้งานโลชิงช้าประจาปีในยุคนั้นก็จัดเป็นพิธีหลวงเพียงวัตถุโบราณชิ้นหนึ่งเท่านั้นเราก็ได้ความรู้แล้วว่าครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานมานี้ ศาสนาพราหมณ์และพราหมณ์ได้มามีบทบาทสำคัญยิ่งในประเทศไทยเพียงใดฉะนั้นเสาชิงช้าจึงเป็ ai, fund. นของมีค่าทางการศึกษาของอนุชนเป็นอันมากเสาชิงช้าคู่เดียวนี <ati> ้จะเป็นคาตอบปัญหาข้องใจให้คนไทยรุ่นนี้และรุ่นหลังว่าเหตุใดพระมหากษัตริย์ไทยหลายพระองค์จึงมีพระนามว่ารามาธิบดีเหตุใดจึงมีธงกระบี่ทุต เหตุใดรูปครุดจึงเป็นเครื่องหมายราชการและเหตุใดในพระราชพิธีราชาพิเศษและพระราชพิธีอื่นๆอีกหลายอย่างจึงมีพรามเข้าไปประกอบพิธีด้วยเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมีความเห็นสนับสนุนให้รักษาเสาชิงช้าไว้ไม่อยากให้รื้อเสียแต่ข้าพเจ้าก็คิดว่าพิธีโลชิงช้าหมดความจำเป็นแล้วโดวยเด็ดขาด แม้แต่ประเทศเจ้าของศาสนาพราหมณ์ที่ถือว่าศาสนาพราหมณ์เป็นศาสนาประจำชาติของเขาเขาก็ไม่ทำกันแล้วเหตุใดประเทศพุทธศาสนาอย่างไทยเราจึงจะมาเป็นเจ้ากี่เจ้าการเสียเองจากเสาชิงช้าสักขีอนุสรร์คู่นี้ถ้าสืบประวัติย้อนหลังคืนไปเราจะได้พบว่าสมัยโบราณได้มีพราหมณ์คณะหนึ่ง นำศาสนาเข้ามาเผยแผ่ในประเทศขอมและในจำนวนนั้นพราหมณ์ชื่อกลทัญญะได้สมรสกับเจ้าหญิงขอมต่อมากลายเป็นผู้มีอานาจจึงได้ทนุบำรุงศาสนาพราหมณ์ขนาดใหญ่จนถึงสร้างนาครวัดนคนรธมซึ่งกลายมาเป็นโบราณสถานอล้ำค่าอยู่ในปัจจุบันสมัยนั้นขอมมีอานาจครอบคลุมมาถึงกษัาจิกไทย ศา ส, สนาพราหมณ์ก็เลยแผ่เข้ามายัางประเทศไทยด้วยในประเทศไทยเราจึงมีเทวไลและสิ่งก่อสร้างของพราหมณ์ในยุคนั้นอยู่หลายแห่งเช่นที่เขาพระวิหารจังหวัดศรีสะเกดเรื่อยมาทางประสาทจังหวัดสุรินทร์เขาพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์ประสาทหินพิมาจังหวัดนครราชสีมาจนกระทั่งถึงเทวไลในลบบุรีและตั้งแต่บัดนั้นมา พระมหากษัตริย์ไทยก็ได้ทรงชุบเลี้ยงพรามไว้ในราชสำนักเป็นผู้ถวายคำแนะนำในเรื่องเกี่ยวแก่พิธีกรรมทางลทัทธิศาสนาพราหมณ์ท่านพระมหาราชครูประมุขพราหมณ์ได้ตอบคำถามของข้าพเจ้าในคราวสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์กองทัพบกเมื่อเดือนพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหนึ่งว่าปัจจุบันนี้ อัตราบรรจุพราหมณ์ในสำนักพระราชวังได้ถูกตัดทอนลงมากเหลือเพียง8อัตราเท่านั้นเมื่ออัตราว่างลงท่านก็จะเป็นผู้คัดเลือกหาผู้เหมาะสมมาบรรจุไว้โดยเลือกคนที่สืบเชื้อสายมาจากคนวรรณพราหมณ์ในอินเดียอย่างน้อยก็ให้ได้คนที่บิดาเป็นบรรณพราหมณ์เมื่อข้าพเจ้าเรียนถามท่านว่าคนที่สืบเชื้อสายมาจากวรรณพราหมณ์นั้น เวลานี้มีอยู่ที่ใดบ้างและจะสังเกตได้อย่างไรท่านได้ชี้แจงว่าคนวันนพรามมีอยู่ในกรุงเทพลบบุรีนครราชสีมาพัทลุงและนครศรีธรรมราชแต่คนเหล่านี้ก็ทามาค้าขายเหมือนพลเมืองทั่วไปส่วนมากก็ไม่รู้ตัวว่าเคยสืบเชื้อสายมาจากพรามเฉลือดํามมีที่สังเกตได้แน่ก็คือนามสกุล ท่านเล่าว่านามสกุลที่พระราชทานแก่พรามนั้นคือนามสกุลสิงหาเสนีบุรณศิริคุรุกุลและรังสีพรามณกุลสำหรับท่านเองอยู่ในสกุลสุดท้ายนี้สำหรับข้อปฏิบัติของท่านพรามเองท่านก็พยายามเป็นพุทธศาสนิกหากแต่ทำพิธีทางพรามด้วยเท่านั้น หมายความว่าถือควบกันทั้งสองศาสนาท่านยังได้บอกด้วยว่าพรามไม่รับประทานเนื้อวัวและปะลาไหลทางด้านอาชีพพรามประกอบอาชีพเยี่ยงเครือขหาทุกอย่างในทางที่ไม่ปิดทํานองคลองทา